เวลาสามทุ่มตรงรถไฟขบวนที่คณะผู้สแสวงบุญจะโดยสารไปลงสถานีขยาก็ยังไม่เข้าเทียบชานชาลาทั้งที่ในตั๋วระบุว่ารถไฟออกจากสถานีเวลา21นาฬิกาโยมผู้หญิงบางคนบ่นกระปอดกระแปดเพราะยืนจนเมื่อยขาด้วยว่าหาที่นั่งไม่ได้ไม้ายาวที่มีไว้ให้ผู้โดยสารนั่ง ก็ถูกครอบครองโดยเจ้าของประเทศชาวไทยที่กลายเป็นชาวต่างประเทศจึงต้องยืนกันจนขาแข็งทั้งพระทั้งโยมคนที่ติดสุขชอบสนุกสบายเลยชักจะคิดถึงบ้านขึ้นมาต ง, งิดต ง, งิดนึกสงสารตัวเองที่ต้องมาตกประกรรมลาบากอย่างนี้พระอาจารย์คะทาไมคนถึงมากมายมาหาศาลอย่างนี้มีเทศกาลอะไรหรือคะ สตรีอายุน้อยที่สุดในคณะถามพระเจริญไม่มีเทศการอะไรหอกโยมนี่เป็นเรื่องปกติในชีวิตประจำวันของพวกเขาคือคนเมืองนี้เขาจะมาทางานโดยรถไฟพองานเลิกก็จะขึ้นรถไฟกลับบ้านถ้ายัางขึ้นไม่ได้ก็จะรอขบวนต่อไปบางทีกว่าจะขึ้นได้ก็ตั้งครึ่งคืนค่อนคืนถึงบ้านนอนได้ไม่เท่าไหร่ เขต้องตื่นขึ้นมาแต่งตัวออกไปรอรถไฟอีกพวกแขกโทรหดอดทนกว่าคนไทยหลายเท่าวันหนึ่งหนึ่งเขาเดินกันเป็นสิบกิโลเพราะบางคนที่ทํางานไกลาจากสถานีรถไฟมากถ้าเป็นบ้านเราเขาก็จะขึ้นรถเมลมาแต่แขกเขาจะประหยัดจะเดินมาจากที่ทํางานซึ่งบางทีก็ใช้เวลาเป็นชั่วโมงกว่าจะถึงแล้วก็มายืนรอรถไฟพอรถมาก็จะแย่งกันขึ้น เสียงโวกเวกโวยวายอย่างที่โยมเห็นอยู่นี่แหละนุ่มแขกเขาเคี้ยวหมากด้วยหรือคะเห็นเดินบ้วนน้ำหมากกันจนเลอะเทอะไปหมดหล่อนถามอีกถูกแล้วโยมเมืองเราคนกินหมากจะเป็นผู้หญิงสูงอายุแต่เมืองแขกกลับเป็นพวกนุ่มๆส่วนพวกผู้หญิงกลับไม่กินหมากรู้สึกว่าเมืองแขกมีอะไรแปลกๆ ก, กว่าเมืองเรานะคะ ถ้าแขกไปประเทศเราเขาก็คงจะพูดอย่างนี้เหมือนกันเมืองไทยกับเมืองแขกมีความแตกต่างกันหลายอย่างดูอย่างเรื่องเวลาก็ได้เมืองแขกสามทุ่มถ้าเป็นบ้านเราก็สี่ทุ่มครึ่งเพราะเวลาเมืองแขกจะช้ากว่าเมืองไทยชั่วโมงครึ่งถึงว่าสิโยมรู้สึกง่วงตั้งแต่นั่งมาในรถแล้วปกติโยมจะนอนประมาณสามทุ่มสแสดงว่า เลยเวลานอนมาทั่มครึ่งแล้วโยมผ่องใสพูดบ้างแล้วเรื่องปกติอีกอย่างหนึ่งของประเทศนี้ก็คือการไม่ตรงต่อเวลารู้อย่างรถไฟที่เราจะโดยสารไปลงสถานีขยาตามกำหนดจะออกจากสถานีเวลาสามทุ่มป่านนี้ยังไม่เข้าเทียบชานชลาเลยไม่รู้ว่าสี่ทุ่มจะได้ขึ้นรถไฟกันหรือยัง นี่เป็นเรื่องปกติของประเทศนี้อัตมาเคยรออยู่จนตีสามกำหนดเวลารถออกจากสถานีสามทุ่มอัตมามารอตั้งแต่สองทุ่มปรากฏว่าได้เริ่อ อ, อกตอนตีสามพระเจริญเล่าประสบการณ์ของท่านโอ้ยถ้าตีสามฉันคงเป็นลมตายแน่ไม่น่ามาลำบากเลยเพื่อนของโยมผ่องใสบน ท่านพระครูฟังอยู่นานจึงแนะนําว่าถ้าไม่อยากรอนานก็ช่วยกันสวดพุทธคุณธรรมคุณและสังคคุณต่อด้วยพาหุงมหาการับรองพ่อสวดจบรถไฟเข้าเทียบช า, ชาลชาทันทีโยมสวดกันได้ไหมละ่ะท่านถามญาติโยมปรากฏว่าคนสวดได้และไม่ได้ มีจำนวนเท่ากันท่านพระครูจึงบอกว่าไม่เป็นไรโยมที่สวดไม่ได้ก็ให้ฟังอย่างมีสติเดี๋ยวพระคุณเจ้านิมนต์สวดด้วยนะครับสวดเบาๆพอให้ได้ยินขืนสวดเสียงดังประเดี๋ยวแขกจะแตกตื่นเอาละเริ่มสวดได้จากนั้นผู้ที่สวดได้ก็เริ่มสวดเบาๆ ตามที่ท่านพระครูแนะนำเป็นกุษโลบายของเจ้าอาวาสวัดป่ามะม่วงที่ต้องการฝึกฝนคนไทยพุทธให้อัญเชิญคุณพระรัตนไตรเข้ามาไว้ในใจอย่างที่ท่านสอนญาติโยมเสมอว่าให้อบพระเข้ามาไว้ในใจและพระที่จะนาเข้ามาไว้ในใจนั้นก็ต้องให้ครบทั้งสามพระได้แก่พระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์ ท่านเริ่มต้นสวดพุทธคุณพร้อมๆกับเพื่อนภิกษุและญาติโยมที่สวดได้แล้วก็จริงดังที่ท่านพูดเพราะเมื่อสวดจบลงตรงสภะสังคานุภาเวนะสถาโสตถีพวันตุเตรถไฟขบวนที่ท่านและคณะจะโดยสารก็เล่นเข้ามาเทียบชานชลาอย่างน่าอัศจรรย์โอ้โหโหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์จริงๆ คําไหนเป็นคํานั้นเลยพระเจริญกล่าวชมพระครูเจริญผมไม่ได้ศักดิ์สิทธิ์ถ้าท่านจะคิดว่าเป็นเรื่องศักดิ์สิทธิ์ผมก็คิดว่าจิตของพวกเราที่เข้าถึงพระรัตนตรนั่นแหละศักดิ์สิทธิ์ท่านพระครูอธิบายเอาละถ้าเช่นนั้นเราก็ขึ้นรถกันได้นิมนต์หลวงพ่อครับ ประเดี๋ยวแม่ครัวกับผู้นำทัวร์เขาจะดูแลเรื่องสัมภาระส่วนผมจะขึ้นไปจัดที่นั่งเพราะตั๋วอยู่ที่ผมโชคดีที่เรามารอตรงกับคันที่จะขึ้นพอดีจึงไม่ต้องเดินไกลเพราะรถไฟเมืองนี้ขบวนยาวมากถ้ารอไม่ตรงกับคันที่จะขึ้นต้องเดินกันเหนื่อยเชียวละที่ร้ายไปกว่านั้นก็คือถ้าขึ้นผิดคันจะเดินทะลุกันไม่ได้ต้องรอให้จอดที่สถานีก่อน ค่อยลงมาขึ้นคันที่ตรงกับที่ระบุไว้ในตัวพระเจริญอธิบายความแตกต่างระหว่างรถไฟแขกกับรถไฟไทยตอนขึ้นรถเป็นช่วงเวลาที่ชุลมุนที่สุดเพราะแม้จะจองตั๋วล่วงหน้าไว้เป็นเดือนก็ได้เพียงรถนอนชั้นสองด้วยว่าชั้นหนึ่งนั้นมีน้อยไม่พอกับจํานวนคนที่มาในคณะส่วนชั้นสจะมีตู้โดยสารมากที่สุด เพราะรัฐบาลต้องการสงเคราะห์คนยากจนซึ่งเป็นพลเมืองส่วนใหญ่ของประเทศอัตราค่าโดยสารชั้น3ราคาต่ำสุดค่าโดยสารชั้นสองสูงเป็น10บเท่าของชั้น3ขณะที่ค่าโดยสารชั้น1สูงเป็น20บเท่าเช่นถ้าชั้น3าราคา10รูปีชั้น2และชั้น1จะเป็น100รูปีและ200รรูปี ตามลำดับชาวต่างประเทศโดยเฉพาะที่เป็นพระภิกษุไม่สามารถโดยสารรถไฟชั้นสามได้เพราะแย่งแขกไม่ทันครั้งหนึ่งพระนักศึกษาจากประเทศไทยมีปัจจัยไม่พอที่จะซื้อตั๋วชั้นสองท่านจึงซื้อตั๋วชั้นสามพอขบวนรถเข้าเทียบชานชลาท่านก็จะขึ้นปรากฏว่าถูกสาวแขกกระชากจีวร จนท่านหน้าหงายแล้วเธอก็แซงขึ้นไปได้ก่อนส่วนท่านต้องตะเกียกตะกายอยู่นานกว่าจะขึ้นได้เมื่อขึ้นไปแล้วก็ไม่มีที่นั่งด้วยว่าไม่มีใครลุกให้นั่งต้องยืนเบียดเสียดกับผู้โดยสารคนอื่นๆไปจนถึงสถานีขยาเกือบจะเป็นลมก็หลายครั้งคราเพราะต้องหายใจสูดกลิ่นแขกเข้าไปในปอด ไหนจะ ก, กังวลเรื่องที่ถูกสาวแขกมาถูกเนื้อต้องตัวว่าจะเข้าข่ายอาบัตสังฆาทิเศษข้อที่สองหรือไม่อาบัตสังฆาทิเศษข้อที่สองมีว่าห้ามจับต้องกายหญิงแต่ท่านไม่ได้จับต้องหญิงมาจับท่านตังหะแล้วเธอก็ไม่ได้จับด้วยมีจิตพิสวาาแต่อย่างใดเธอเพียงแต่จะแสงท่านขึ้นรถไฟเท่านั้นเพราะฉะนั้นไม่เข้าข่าย สังฆาทิเศษพระมะคุเทศพาพระภิกษุห้ารูปกับญาติโยม26คนขึ้นไปบนรถได้อย่างทุลักทุเลกุลีพากันหาที่วางสัมภาระญาติโยมก็วุ่นวายอยู่กับการหาสัมภาระของตนผู้นำทัวร์และแม่ครัวก็ตรวจตราดูว่ากระเป๋าครบส4บสี่ใบหรือไม่ เพราะถ้าหายไปสักใบหนึ่งและเป็นใบที่บรรจุสเสบียงก็จะเดือดร้อนไปทั้งคณะพะนัก ง, งานตรวจตัว๋วมาจาัดที่ให้ตามบัญชีรายชื่อแล้วก็เกิดอลเวงกันขึ้นเพราะเลขที่ซ้ำกันที่ซ้ำกันเพราะมีการแอบขายตั๋วปลอมซึ่งรู้กันในหมู่พนัก ง, งานรถไฟพวกเขาจึงช่วยกันแก้ปัญหาด้วยการหาที่นั่งใหม่ให้คนที่ถือตั๋วปลอม ซึ่งเป็นคนอินเดียเท่านั้นเพราะตั๋วปลอมจะไม่ถูกขายให้กับชาวต่างประเทศตู้รถนอนมีเตียงนอนถึงสามชั้นผู้นำทัวร์จึงต้องมาจัดใหม่ให้ถูกต้องตามพระวินัยบัญญัติคือแยกระหว่างพระภิกษุกับคฤหัสซึ่งในบัญชีรายชื่อจัดที่นั่งเรียงตามลำดับโดยไม่ได้แยก กว่าจะลงตัวก็เล่นเอาเหนื่อยไปตามๆกันทั้งผู้จัดและผู้ถูกจัดเมื่อจัดที่นั่งลงตัวแล้วการสนทนาก็เริ่มขึ้นโยมบางคนบอกว่าสนุกดีเพราะไปมาหลายประเทศไม่มีที่ไหนวุ่นวายเหมือนประเทศนี้แต่โยมที่รักความสบายก็บ่นว่าจะขอมาเป็นครั้งแรกและครั้งสุดท้ายในชีวิต ท่านพระครูเป็นอย่างไรบ้างสนุกไหมลุงพ่อวัดดอนเมืองถามเจ้าอาวาสวัดบามะม่วงผมมีความรู้สึกว่าได้กลับมาเยือนบ้านเกิดในอดีตชาติผมคงเคยเป็นคนอินเดียนะครับลวงพ่อท่านพูดว่าคงเคยเป็นเพราะไม่ต้องการอวดอุตริมนุษยธรรม ช่วงที่ยืนรอรถท่านทํากรรมฐานยืนหนอจนจิตตั้งมั่นเป็นสมาธิและระลึกชาติได้นอกเหนือจากเจ็ดชาติว่าครั้งหนึ่งท่านเคยเกิดเป็นคนอินเดียบิดานับถือาศาสนาพราหมณ์มาในชาตินี้บิดาเกิดเป็นคนอินเดียอีกแต่นับถือาศาสนาซิกและได้อพยพมาตั้งรกรากอยู่ในประเทศไทยที่อําเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่นท่านจะมีโอกาสได้พบกับเขาในอีกสิบปีข้างหน้าก็เป็นไปได้นะตราบใดที่เรายังต้องเวียนว่ายตายเกิดเราก็ต้องเกิดและไม่จำเป็นว่าจะต้องเกิดในประเทศเดียวไปทุกชาติอาจเกิดประเทศโน้นบ้างประเทศนี้บ้างเรียกว่าท่องเที่ยวไป ในสังสารวัตรจนกว่าจะตัดความหลงได้ถ้ายังตัดไม่ได้ก็ต้องเวียนไหวกันต่อไปไม่มีที่สิ้นสุดทุกอะไรก็ไม่ยิ่งใหญ่เท่ากับทุกในสังสารวัตรนะครับหลวงพ่อเพราะความหลงในสงสารทำให้ชีวิตต้องเวียนไหว แม้สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ยังต้องเวียนไหวอยู่ในวัฏฏสงสารนานกว่ า, า, ายี่สิบอสงไขจึงได้ข้ามพ้นนั่นสิพระองค์ทรงบำเพ็ญบารมีมาถึ ง, งยี่สิบอสงไขยกว่าจะได้บรรลุพระโพธิญาณ คนที่ไม่เข้าใจคิดว่าท่านบำเพ็ญบารมีแค่สี่อสงไข่กำไรแสนกับความจริงแล้วยี่สิบอสงไขกับแสนกับแค่กับเดียวก็ยาวนานจนแทบจะจินตนาการไปไม่ถึงแล้วนี่ต่างแสนกับนานจนลืมไปเลย ที่พูดกันว่าพระองค์บำเพ็ญบารมีสี่อสงไขยกำไรแสนกับเพราะไปนับตั้งต้นตั้งแต่พระองค์เป็นพระโพธิสัตว์เสวยพระชาติเป็นสุเมทะดาบทและได้รับพยากรณ์จากพระทีปังกอพุทธเจ้าว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าในพัทระ แต่ถ้านับตั้งแต่พระองค์ทรงตั้งปณิธานแน่วแน่ที่จะบำเพ็ญบารมีเป็นพระพุทธเจ้าก็กินเวลาถึงเจ็ดอสงไขยครั้นทรงเปล่งวาจาออกมาว่าเราจักบำเพ็ญบารมีเพื่อความเป็นพระพุทธเจ้าก็กินเวลานา น, านถึงเก้าอสงไขยรวมเป็น 16. อสงไขยครั้นถึงสมัยพระทีปังกรพุทธเจ้าพระโพธิสัตว์อุบัติเป็นพรามชื่อสุเมธะต่อมาออกบวชเป็นดาบทและบำเพญ็ญฌานจนบรรลุฌานสมาบัติพระทีปังกรพุทธเจ้าสเสด็จมาสุเมธะดาบทร่วมทางทางกับมหาชน ยังถางไม่ทันเสร็จพระทีปังกรพุทธเจ้าก็เสด็จถึงสุเมธาดาบทจึงทอดกายลงให้พระองค์ทรงเหยียบย่างไปบนร่างของตนพระทีปังกรพุทธเจ้าทรงพยากรและตรัสกับสุเมธาดาบทว่าเธอจกเป็นพระพุทธเจ้าแน่นอนนับแต่ได้รับพยากรพระโพธิสัตว ต้องบำเพ็ญบารมีอีกสีอสงไขยกำไรแสนกับจึงได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านพระครูเล่าเรื่องการบำเพ็ญเพียรของพระโพธิสัตว์ก่อนจะตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหลวงพ่อวัดดอนเมืองช่วยขยายความว่าพระทีปังกอน ทรงเป็นพระพุทธเจ้าพระองค์ที่สี่แห่งสารมันทกับซึ่งในกับนี้พระพุทธเจ้ามาอุบัติสี่พระองค์คือพระตันหังกอนพระมีทางกอนพระสรนังกอนและพระทีปังกอนส่วนพระโคตมะก็ทรงเป็นพระพุทธเจ้าพระองค์ที่สี่เช่นกัน แต่เป็นพระองค์ที่สี่แห่งพัทธรักับท่านพระครูทราบใช่ไหมว่าในพัทธรักับมีพระพุทธเจ้ามาอุบัตห้าพระองค์ครับผมทราบพระพุทธเจ้าห้าพระองค์ในพัทธรักับคือพระกกุสันทะพระโกนาคมพระกสปะพระโคตมะและ พระเมธเตยะสามพระองค์แรกเป็นพระพุทธเจ้าในอดีตพระองค์ที่สี่เป็นพระพุทธเจ้าในปัจจุบันพระองค์ที่ห้าเป็นพระพุทธเจ้าในอนาคตประมาณสี่ทุ่มพนัก ง, งานรถไฟก็มาช่วยกันปูที่นอนผู้โดยสารต้องไปนั่งรวมกันที่ม้านั่ง ซึ่งยังไม่ได้ถูกปรับให้เป็นเตียงนอนครั้นปูที่นอนเสร็จผู้โดยสารก็ไม่มีสิทธิ์นั่งอีกต่อไปเพราะเตียงนอนมีสามชั้นช่องว่างระหว่างชั้นหนึ่งกับชั้นสองไม่สูงพอที่จะให้ผู้โดยสารนั่งได้ส่วนเตียงชั้นสหากนั่งศีรษะก็จะติดหลังคารถดังนั้นคนที่ยังไม่ง่วงจึงใช้วิธีนอนคุยแทนการนั่งคุย ประเดี๋ยวหนึ่งเสียงเอะก็ดังขึ้นพระมคุเทศเป็นรูปเดียวในคณะที่ฟังภาษาฮินดีออกจึงทำหน้าที่รายงานเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นผู้โดยสารวัรณพราม์กับวันณะสูตกาลังถกเถียงกันเรื่องที่นอนคนวัรณพราม์อ้างว่ารถนอนเป็นของวัรณะพรามเท่านั้นคนวัรณะสูดไม่มีสิทธิ์ขึ้น ส่วนคนวรนณะสูตรก็ทิ้งว่าเขาซื้อตั๋วมาอย่างถูกต้องแล้วก็ขอให้คนวรรณะพราหมณ์แสดงตัวคนวรนณะพราหมณ์ไม่ยอมอ้างแต่ว่ารถนอนเป็นที่สําหรับคนวรนณะพราหมณ์เท่านั้นพวกพราหมณ์เขาจะรังเกียจคนวรนณะต่ำญาติโยมฟังดูสิเขาเสียงดังเชี่ยวทั้งค่มทั้งขู่แล้วคนวรรณะสูตรก็ยืนยันเสียงอ่อยว่าตัวเขามีตั๋ว คนที่แต่งชุดผ้าป่านสีขาวเป็นพรามใช่ไหมครับเพราะแกะเสียงดังเชียวโยมเสียงถามถูกแล้วโยมแล้วดูคนวันณะสูตรสิน่าจ้อยเลยอาตมาเดาว่าตาพรามแกไม่ได้ซื้อตั๋วนอนแต่อาศัยใจกล้าหน้าด้านมาข่มคนวันละต่ำอาตมาเคยพบเรื่องแบบนี้เกือบทุกครั้งที่โดยสารรถไฟ แล้วเขาจะต่อยกันไหมครับผมกลัวว่าพวกเราอาจถูกลูกลงข้าบดีสูงไหวถามเพื่อความปลอดภัยในชีวิตไม่ต่อยหรอกโยมเพราะกฎหมายเมืองแขกแรงมากถ้าทะเลาะกันเฉยๆไม่เป็นไรแต่ถ้าถึงขั้นลงไม้ลงมือจนเลือดตกยางออกจะต้องติดคุกทั้งสองฝ่ายอยู่นอกคุกก็ลำบากจะแย่อยู่แล้วคืนอยู่ในคุก ก็เท่ากับตกนรกทั้งเป็นอัตมาเคยถามพวกเด็กหนุ่มๆที่เคยติดคุกพวกเขาบอกว่านารกดีๆนี่แหละพันเตเขาจะเรียกพวกนักบวชในาศาสนาพุทธว่าพันเตส่วนนักบวชในาศาสนาพราหมณ์เขาจะเรียกว่าสาธุอัตมาก็ถามว่านารกเป็นอย่างไรล่ะอัตมาไม่เคยไปเขาก็ตอบว่าอยู่อัดกันแน่นอย่างกับปลากระป๋อง อาหารการกินก็ไม่เพียงพอกับจำนวนนักโทษมุ้งก็ไม่มีต้องนอนให้เหลือบยุ่งกัดกินเลือดที่ทรมานทรกรรมมากกว่านั้นคือต้องถ่ายอุจจระปัสวะกันในห้องขังทนดมกลิ่นเน่าเหม็นทั้งของตัวเองและของผู้ร่วมชะตากรรมอาตมาฟังแล้วยังตั้งปณิธานไว้เลยว่าจะไม่ขอมีเรื่องกับคนอินเดีย จนถึงกับต้องถูกขังคุกอย่างเด็ดขาดอีกอย่างหนึ่งเขาบอกว่าเวลามีโรคระบาดก็ตายกันยกคุกเลยเพราะฉะนั้นเขาจึงโกรธติดคุกมากตารวจรถไฟได้รับรายงานจากพนัก ง, งานจึงเดินมาระงับเหตุเขาขอดูตั๋วจากผู้โดยสารวันณพราหมณ์บุรุษในชุดสีขาวไม่ยอมให้ดูแต่บอกกับตารวจด้วยเหตุผลเดียวกับ ที่บอกกับผู้โดยสารวันณสูตรว่ารถนอนเป็นของคนวันณพราหมณ์คนวันณสูตรรีบแสดงตั๋วแก่ตำรวจเขากรงว่าตำรวจจะเข้าข้างคนวันณพราหมณ์ด้วยกันซึ่งหากเป็นเช่นนั้นเขาก็จะขอให้พนักงานรถไฟที่เป็นคนวันณเดียวกับเขาเป็นผู้มาตัดสินพนักงานรถไฟสองคนปูที่นอนเสร็จก็มายืนเป็นกำลังใจ ให้คนวันละเดียวกับตนตำรวจคิดว่าควรจะทำตามหน้าที่ดีกว่าเข้าข้างคนวันละเดียวกันจึงบอกบุรุษชุดสีขาวด้วยถ้อยคำที่นิ่มนวลและเกรงใจว่าการโดยสารรถไฟใช้ตั๋วเป็นเกณฑ์ตัดสินไม่ได้ใช้วันละมาตัดสินและได้ขอให้เขากลับไปยังชั้นสามเมื่อรถไฟจอดสถานีต่อไปค้นพราหมณ์ รับําอย่างเย่อหยิ่งแล้วบอกว่าตนจะลงไปขึ้นตู้ชั้นสามซึ่งอีกประมาณหนึ่งชั่วโมงรถไฟจึงจะจอดสถานีต่อไปขณะนี้รถไฟกำลังวิ่งอยู่จึงขอนอนพักผ่อนว่าแล้วก็เองกายลงนอนตำรวจรถไฟพูดกับคนวัรณะสูตรว่าขอให้ยืนไปอย่างนี้ก่อนเมื่อคนวันละพรามย้ายไปชั้นสามแล้วจึงค่อยนอน สงสารคนมณะสูตรจังเลยนะครับท่านทำไมเขาถึงไม่โต้แยง้งตำรวจตัดสินแบบนี้ไม่ยุติธรรมเลยน้องชายยมเสียงพูดขึ้นหลังจากฟังพระมะกุเทศภาคอัตมาอยากจะถามเขาเหมือนกันแต่โกรตาพรามแกจะว่าเอาได้ว่ามายุ่งเรื่องของคนอื่นอัตมาเป็นชาวต่างประเทศเกิดมีเรื่องมีราวขึ้นก็จะเสียเปรียบเขา พวกแขกเขาแบ่งชั้นวันณะกันก็จริงแต่ถ้ามีเรื่องมีราวกับชาวต่างชาติเขาก็จะเข้าข้างกันโดวยวางเรื่องวันณะไว้ก่อนอัตมาเคยเห็นมากับตาเลยนะเรื่องเกิดขึ้นเมื่อเดือนที่แล้วนี่เองถ้าโยมอยากฟังอัตมาก็จะเล่าท่านพูดแบบสงวนท่าทีแต่พองามผมอยากฟังครับโยมเสงี่ยงกับน้องชายพูดขึ้น หลวงพ่ออยากฟังหรือเปล่าครับพระเจริญถามพระครูเจริญสมพานวัดป่ามะม่วงตอบว่าถึงไม่ฟังผมก็คงได้ยินท่านเล่าไปเถิดครับพระมคุฎเทศจึงเล่าเหตุการณ์ที่ท่านประสบมาด้วยตนเองว่าคือเมื่อเดือนที่แล้วผมนั่งรถไฟจากขยาไปเดียวหีมีชาวฝรั่งเศสสองสามีพันยาขึ้นไปด้วย ลุงพี่รู้ได้อย่างไรครับว่าเขาเป็นชาวฝรั่งเศสคือผมอยากทราบว่าเรามีข้อสังเกตอะไรที่จะแยกแยะได้ว่าฝรั่งคนนี้เป็นอเมริกันเยอรมันอังกฤษหรือฝรั่งเศสน้องชายยมเสงียอยากรู้ที่อาตมารู้เพราะคุยกับเขาคือนั่งตรงข้ามกันเลยคุยกันลุงพี่พูดภาษาฝรั่งเศสได้ด้วยหรือครับ พูดไม่ได้หรอกแต่พูดภาษาอังกฤษได้เลยคุยกับเขาเป็นภาษาอังกฤษคนฝรั่งเศสเขาพูดภาษาอังกฤษไม่ค่อยเก่งนะอัตมาก็พูดไม่ค่อยเก่งถ้าพูดกับคนอังกฤษจะรู้สึกประมา ก, กลัวเขาจะนึกดูถูกว่าเราพูดผิดไวยากรณ์แต่พอพูดภาษาอังกฤษกับคนฝรั่งเศสซึ่งเขาก็ไม่ค่อยเก่งเรื่องไวยากรณ์เลยพอคุยกันรู้เรื่องคุยกันได้สักประเดี๋ยว ก็มีแขกคนหนึ่งมันเดินซุ่มซ่ามมาเหยียบเท้าเขาแล้วก็ไม่ขอโทษเลยเกิดทะเลาะกันคนฝรั่งเศสใจร้อนมากชกหน้าตาแขกนั่นไปเปรียงหนึ่งเท่านั้นแหละพวกแขกไม่รู้มาจากไหนกันพากันรุมกระทืบเจ้าฝรั่งเศสตายคาตีนเลยอาตมา ข, ขอโทษที่ใช้คำว่าตีนมันเห็นภาพพดมากกว่าใช้คาว่าเท้าถ้าพูดว่าตายคาเท้า มันเห็นภาพไม่ค่อยชัดสรุปว่าตาฝรั่งเศสคนนั้นถูกรุมกระทืบตายต่อหน้าพันยาและต่อหน้าอัตมาพอตำรวจรถไฟมาก็ไม่รู้จะจับมือใครดมถ้าพูดให้ตรงกว่านั้นก็ต้องว่าไม่รู้จะจับเท้าใครดมเพราะพอกระทืบเสร็จก็แยกย้ายกันไปเรื่องก็เลยลงเอยว่าจับคนร้ายไม่ได้เขาก็ถามอัตมาว่าพันเต จำหน้าคนไร้ายได้ไหมอาตมาก็ตอบว่าจำไม่ได้ทางรัฐบาลก็เลยจ่ายค่าทำศพให้พันยาคนตายเป็นเงิน 5,000 ันรูปีซึ่งเท่ากับ 7,500 บาทชีวิตมีค่าแค่นั้นเองแล้วพันยาเขาว่าอย่างไรครับแกก็เอาแต่ร้องไห้อาตมาก็ไม่รู้จะช่วยอย่างไรนั่งตัวแข็งเลย แล้วเขาไม่เข้าไปช่วยสามีหรือครับไม่ช่วยหรอกเขาก็นั่งตัวแข็งทื่อเหมือนกับอัตมาใครๆก็รักตัวเองมากที่สุดอย่างไรก็ต้องเอาชีวิตตัวเองไว้ก่อนถ้าโยมเป็นพัญญาคิดว่าจะช่วยสามีไม่ละ่ะท่านถามคนฟังไม่ช่วยหรอกครับผมก็รักตัวเองมากที่สุดเช่นกันน้องชายโยมเสียงตอบเสียงดังฟังชัด